บ <Book> <83. S 3> ุ๊กทูแปดสิบสามเทรนชีชอดีตการ์ดสามบุหุตการ์ดบุหุตการ์ดโทรศัพโทรศัพท์แล้ว มีทรศัลมีทรศัเคลาดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมามีสม प ูเวอร์พเบลมีสมพูเวอรทรศเวบโตถามวิวิรณี่ฉันถามแล้ว มีวิจารเล่มีวิจารเล่ดิฉันได้ถามเสมอมีเนื้อหิมิตวิจารตอโลมีเนื้อหิมิวิรตโลล่านิวดักนิวดกรดิฉันเล่าแล้วมีนวดันเล มีนิเวศนเกลียดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วมี प ูนค่ะฮนีนิวศดมีูนค่นีเวเกลียเรียนชิกษ์หนีฝึกหัดนนดิฉันเรียนแล้วมี มีชิกลี่ฉันเรียนตลอดทั้งค่าเลยมีสม प ูรณ ण स ंสัญाาการบัตรอภิษฎเกลามีสมบูรณสัญญาการบัรอภิษฎเกลาทำงานทำงานทำงานดิฉันทางานแล้วมี การ์มเेลลีมีการ์เลดิฉันทางานทั้งวันเลยมีปุรณดิวส์การ์มेีมีปุรณดิวส์การ์มเคลลีรับประทานทานเดิฉันทานแล้วมี เจวิลโลมีเจวิลเล่ที่ฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วมีศรลมีศ